เทศอบรมพระและคาวาสเมื่อวันที่12ธันวาคมพศ2588ณวัดป่าบรรตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตน งานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกมาใช้งานเพื่อจะนำเข้าคำว่านำหมายถึงนำตนตรวจมองดูพระพุทธเจา้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระ อ, องค์ดำนิน และผลที่สรงรู้ส่งเห็นมีเป็นเห็นทิดอันหนึ่งธรรมะที่ทรงคีย์ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดคีไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียด ธรรมะเพื่อแก่จริงต้องมีอย่างพร้อมมูอไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความปิดชาติซึ่เกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลานี่เป็นเห็มคิดอันห น, นึ่งสงสาววของพระภูมิพระภาคดาเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติ ไม่มีความท้อถอยต่อทางดําเนินที่รับพระธรรมจากพระพธธุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสําคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่งนั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัย แนะไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญใน้นทางทางจากส ม, มุิก้าวเข้าไปเพื่อดีมุดคือความหยุดพน้นทานเรียกว่ามักโคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถ ยังมุคคนให้พ้นจากทุกได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสาเอกที่ประทานไว้แล้วเวลานี่ใจของเรายังไม่เป็นเอกคำว่าเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็ มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในปมและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณที่จะนาค่าควรให้ดีเสียก่อน ฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสําคัญสําหรับผู้ดําเลินจะต้องคำหนึ่งเสมอคำหนึง่งถึงคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำหนึ่งถึงพระธรรมคำหนึ่งถึงพระสงฆ์เป็นระยะระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างอื่น ธรรมะพุทธธรรมะสังคานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติทั้งกล่าวไว้ในธรรมาพุทโธธรรมโมสรงโคจาตินานาหุนตัมปิวัตถุโต น, นัญญามญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกัน โดยเนื้อความลิ่มเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักทรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความปีกแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมาย ที่ทำความเนิ่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกมีการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนิน ยากหรือลำบากไม่จําเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดําเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกเป็นลําดับลําดับไปนั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดําเนินมากมายก็พ้นทุกได้อย่างนี้ไม่มีใน ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใ จ, อ ใ, จในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิยะจงมีความอู้สาพยายามอย่าลดละความภาคเทียนเพื่อทางสายนั้นกิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่าง เหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสินใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องสิดลากให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าทานสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้น สำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะติดของเราลราต้องคำานึนงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะ โปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธ เ, ทเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้ง อันเป็นผลเกิดขึ้นจากความมายสุดก็ดีคำว่าสังฆผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ไดุ้ตสาหบำเพ็ญตามพระพุทธไตเจ้าก็ดีทั้งสามพระรัตนไตรมี ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่ เกี่ยวกับธาตุขันซึ่งมีส่วนละเอียดหรืออยาาต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแตกต่างกันธาตุขันก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบําเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือ ลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการจีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้น ทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสังสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกจะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นขั้น และอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทางนั้นีน่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกลาเสียสละ ตามกาลังความสามารถของตนเพื่อการสเสด็จตามพระพุทธเจา้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติ และยาให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นทําเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียและสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติ ตนเองด้วยความเทมแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตอ น, นั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่อง ตารักษาดูที่ใดไปที่ใดทําหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดต่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาไข่ครวนถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบไข่ครวนข้างนอก แม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความแคร์ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลําดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตน นี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบเรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอจ <c oughs> <c oughs> ริยามารยาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไป เพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใชา้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไป เบืองจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ท้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิปในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนิน จะไม่ผิดหลังต่อการดำเนินของอนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกรันนี่ด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกไปเป็นลำดับาำรับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญา ให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆถูเป็นนักบวชก็ให้มีความรอบค้อบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการใหม่ตติปัญญาเป็นกล้องสำหรับสองทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตน ขันทั้งหคือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจใเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิ ญ, ญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอวิชนะทั้ง6 นี่คือชัยสมอรภูมิไม่เคยลาสมัยนับแต่การไหนไหนมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้ เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงใจสิ่งที่เราเคยเสียกสันตั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนไหนจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับ เพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวม เราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีมีอะไรบ้างในธาตุดินมีเป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียงห้าคือผมขนและฟันหนังนี่นี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะ เช่นเดียวกันนี้มีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการสามสิบสองเราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการสามิสองดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆงแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัพท์ว่าบุคคลคาว่าหญิงคาว่าชายคาว่าเราว่าท่าน นี่คือสิ่งปรอมแปลงซึ่งเราเสกสรรปั้นดอหรือนิยมท้ายกันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมศูนย์อันตราธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทําลายด้วยอานาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่ การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันทั้งห้าจึงเรียกว่าชัยสมอนพูนผค้ลบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันนี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆ เรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นขั้นเกีย่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลนำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนเหล่า น, นี้นี่ก็จะเห็นชัด ตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรปัญญ้นหยอความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลาดับลาดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือ ว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา <c oughs> เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนพอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกัน เป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกก็แสดงตัวขึ้นมาคาว่าอุเปกขาคือเฉยเฉยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาสัางเวลากันในธาตุในขันอันเดียวกันแล้วมีอยู่ที่ไหน คำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเนาทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุ ข, ขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ หาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่า น, นี้ ได้เป็นลำดับลาดับจนเข้าทําลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกเฉยเฉยนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียมตามนัยยะที่กล่าวมานี้เมื่อสรุปความแล้วขันทั้งห้านี้ไม่มีอันใดที่จะ หรือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดถ่วงจิตใจให้เพเย์ตัวไม่ขึ้นนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นพุกขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบาเพราะเหตุแห่งอุปท า, านเหล่านี้ นักพิจารณาต้องพิจารณาที่กรุงนี้กิเลสอาสมะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อในถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากกิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับ ความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นนากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทยัย อันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุนควา้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นครรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทยัย อันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกมาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดตรงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่นี่สัจธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันทั้งห้าและใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดนางกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือกีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรง ไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจจะทำเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองสุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจจะธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจจะธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจจะธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบ ให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเรานี่และในโลกที่ให้นามว่าโลกโลกนี่มีอะไรที่จะเป็นนาสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลก ข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนไหนเพราะเรื่องของสุขของทุกนั้นมีใจเป็นผู้นับผิดชอบ กับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นยาถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยพิธีผูกมัดตนเอง แต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกเกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกนี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อวัดทุกหรือเราได้ทราบแต่นามของทุกขและรู้แต่เพียงวัาทุกที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็น่าตศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกจริงๆนั้นได้เป็น่าสศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกนั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเรา ไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิษพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเราเป็นทุกข์ทุกข์ตับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนนับประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับๆับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับดับนั้นเป็นความคงที่ สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกเกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงธรรมจริงที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหนักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกให้ถึงเรื่องของทุกเรียนเรื่องทุกไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีก ทุกจะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกจบแล้วแม้ทุกจะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกจะไม่ทำการเกี่ยวค้องหรือแบกถามทุกนั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกก็เห็นชัดว่าเป็นทุกใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุก เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทําการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั่นให้ชื่อนามให้ชื่อให้หนามว่าโลกปฏิปทาเครื่องําเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมา ชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงทรรมแดนเกระรนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันนี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉย เราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไรเรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดขขตัดจบความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลาดับๆนั้นเรียกว่าธรรม โปรดจาให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตอนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจํานวนมากเท่าไรเราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายนาจะมีมากเท่าไรก็เพียงผ่านไปผ่านไป และยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระโพธิจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญ จงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ต้องไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจา้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรม ะ, ะประโยคสํสำคัญที่เราบาเพ็ญ ก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสีดินน้ําลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนคิดหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่น้ํำมัดในเมื่อสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายคิดหายไปหรือไม่เราต้องดู เมื่อเห็นธาตุขันก็เป็นธาตุขันอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายแล้วสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบสิ่นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแต่ดไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่คัดสูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วนั่งที่เราเห็นเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเน เราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไปก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไปก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจาก ของมีอยู่เท่านั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมุติจะมีมาจากที่ไหน ที่จนาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเยนไาวตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดเกิดตายตายผ่าใจได้บริสุทธ อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นนากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดคน้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นพบเป็นชาติเกิดเกิดตายตายจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่ อยู่ที่ไหนก็จะมีความสมายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกีเ่ยวหรือมากดขี่บังทับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบขิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสานอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอํานาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอํานาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอก เพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงทำขั้นเอกติไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียอย่างเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอก โดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนชนดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้จึงสมมุติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้ว จะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังบนไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่ได้รอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นค่าสึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อค่าสึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ตนเหตุนี้ให้สิ้นสุดไป ด้วยอํานาจของปัญญาอันเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานนางปรามังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตต์ก็คือใจดวงเอกนี้ทำอันเอกนี่เรียกว่าภนิพานก็หมายถึงใจอันเอกทำอันเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่ มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัย ว, วิธีผูกมัดตนเองเพราะอำนาจของยิ่งเดชเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร ค, ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทาเบาก็ต้องทาเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้า ทางจะขุดกระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ไน่าเพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่พอปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากอย่างไรทําแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทําเป็นเครื่องสังส ม, สงสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลําบากเพราะทําคนแล้วให้โทษแก่ตนเอง แต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกก็ทุกเพื่อสุขไม่ใช่ทุกเพื่อทุกเช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากาบทิยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยาหนี้ฤิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอยู่เฉยๆะให้กิเลสตกพวดพลาดลงไป ดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากําบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีเป็นความเสมอภาคกันหมด เพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่าง น, นี่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึิงเต็มเพราะด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึิงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นและจะทำกิตข้างน ong ข้างนอกคืขอข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดลาดไปได้ การดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุดจะลึกเท่าไรก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไรพอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอสาุวานนี้น้ำความอยากความทะเยอทยานไม่มีฝั่งไม่มีแดงหาอะไรมาวัดไม่ได้ นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัญหาซึ่งไม่มีขอบเขียนนีพพาฉุดลาบกันแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกัก้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในทีน่นี้ทุกชาติทุกพบเกิดมาชาติใดพบใดก็บนแต่วความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการ หักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกหรือเป็นเครื่องแก้ทุกออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นขัน ข, นขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางกายอุตสาหสะมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาบําเพ็ญนี้ก็ กรุณาได้นำไ ป, ปพิปจาริาไตรตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศ า, าสนาจะได้อาศัายผู้มีความทนใจ่ายต่อการบําเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นค่าศึกต่อกัน มีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องวัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจหรือไว้ไวเ้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศานา t h i ขอบุญญาณุภาพขอ ง, ององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า คร่มทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วนนกันเธอ